ธรรมชาดกแผ่นที่11อลำดับที่19โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่13ตุลาคม2557หมีชื่อเรื่องว่าเทวดาตกสวรรค์เ อ, อ่อพิธีกรรมพิธีการของพวกเราในวันนี้พวกเราคง ศรัทธาญาติโยมคงจะแปลกใจเห็นดวงดาวเต็มไปหมด <c oughs> ที่ศาลาของพวกเราคือวันนี้เป็นเป็นวันตำรวจแห่งชาติเป็นวันที่13ามตุลาห้าเจเป็นวันตำรวจตำรวจก็จะมีทําพิธีทําบุญทําบุญตักบาทแล้วก็ทําบุญอุทิศส่วนกุศลกับ ผู้ที่ร่วงลับดับขันผู้ที่เป็นตั้งแต่เริ่มตั้งตั้งกรมตารวจมาที่พญาดำรงนะเป็นผู้ตั้งกรมตำรวจขึ้นมาจากนั้นมาจากวันนั้นมาถึงวันนี้ตำรวจของเราก็ได้กเกษียณไปแล้วก็ได้ปกป้องประเทศชาติก็ธรรมดา ปกป้องประเทศชาติก็มีทั้งคนดีคนเลวก็ได้ล้มหายตายจากไปก็มากเหมือนกันตำรวจเพราะนั้นพวกเราที่อยู่เบื้องหลังนําอาชีพเดียวกันคือตำรวจพวกน้องๆลูกห ล, ล, ลานาถึงวันตำรวจเราก็ยกประเด็นขึ้นมาแล้วก็ทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับท่านเหล่านั้นที่มีวิชาอาชีพกับพวกเรา ตีรุนพี่ๆปู่ๆทวดๆของพวกเราพวกเราที่อยู่เบื้องหลังกันถึงวันนี้ก็ปีหนึ่งวันที่13บมตุลาก็จะมีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลทั่วประเทศจากนั้นก็จะทำพิธีเกี่ยวกับวันลํำลึกหรือว่าทำพิธีวันตำรวจแห่งชาติวันในวันนี้หลวงพ่อก็ได้พู ด, พดกับผู้กากับอำเภอนายงที่ท่านนั่งอยู่ข้างๆ หลวงพ่อนะ่หลวงพ่อบอกว่าเออถ้าเราไปทำที่สถานีตำรวจกังานของหลวงพ่อกับชุกลงหกปีในกระถินก็อีกเมื่อวาน ว, วันนี้ก็คงจะได้พบกับคณะสัายาติโยมพระสงฆ์ทำความเข้าใจบางเรื่องราวแต่เป็นไปได้ก็ขอให้ใท่านพูมกับกับเจ้าหน้าที่ตำรวจมาทำพิธีที่วัดหลวงพ่อ ทำบุญตักบาทให้ศิลให้พรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทานอาหารเสร็จเรียบร้อยค่อยไปทำพิธีที่สถานีตารวจได้ไหมท่านผู้กำกับก็ได้ก็ได้ลกตกๆกลงกันในวันนี้กันเลยได้มาทำพธิธีแล้วก็ต่อนี้ไปก็เริ่มพิธีแล้วนะ่านิพพสงค์จัดาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วกอเชิญท่านผู้กากับ จุดทูบเทียนบูชาพระรัตนตรยัยและก็วันนี้พวกเราได้ปารภงานตํารวจหลวงพ่อพูดเรื่องเป็นวันตารวจตํารวจแห่งชาติท่านผู้กากับรับคณะเจ้าหน้าที่ได้มาทําบุญที่วัดของหลวงพ่อเมื่อเช้าได้ตักบาตรกับพระสงฆ์แล้วก็มารวมกันที่ศาลาแห่งนี้ อันดับแรกก็ท่านผู้กากับได้จุดทูบเทียนบูชาพระรัตนตรยัยจากนั้นก็ได้สมาทานสินได้รับสินเมื่อรับสินจบเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อจะได้กล่าวฝาลบเรื่องงานที่ผ่านมาเมื่อวานนี้แลวก็ตอนนี้ไปหลวงพ่อจะพูดเกี่ยวกับตารวจผู้พิทักษ์ผู้พิทักษ์กสันติราชที่นั่งอยู่ที่ศาลาของเราทั้งหมดมี มีดวงดาวเต็มไปหมดอหลวงพ่อเห็นกับปลื้มใจกับพวกเจ้าหน้าที่ตำรวจของเราคือตำรวจนายูงของเรากับวัดของเราเหมือนกับพี่พี่น้องๆ้องเป็นศรัทธา ญ, ญาติโยมอันหนึ่งอันเดียวกันมีอะไรขาดเรือขาดตกที่จะให้หลวงพ่อที่จะช่วยเหลือเจือจานกันหลวงพ่อก็ยินดีเพราะว่าหลวงพ่อในอยู่ในชุมชนกลุ่มนี้เหมือนกันเพราะหลวงพ่อกับ บอกแล้วว่าหลวงพ่อเป็นพระสาธารณะเดี๋ยวนี้หลวงพ่อก็ช่วยทางโรงพยาบาลอุดรช่วยทางโรงพยาบาลศรีนครินเมื่อวานมันก่อนเขาก็เครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นเข้ามาขอเครื่องมืออีกหลวงพ่อก็เอากินดีที่จะช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์เพราะว่าสาธารณะเหมือนกันอันนี้ก็คือ สรุปแล้วก็คือหลวงพ่อเนี่ยเป็นพระสาธารณะอย่างที่ว่าเพราะฉะนั้นขอให้หน้าเจ้าหน้าที่น่ยท่านผู้กากับและนายตำรวจทุกท่านที่มาอยู่อํเาเภอนายูงอยู่ด้วยความสบายใจปฏิบัติหน้าที่พิทักษ์สันติราชลูกหลานให้อยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขหลวงพ่อกเนี่ยอยู่ในระดับนี้แหละ ถ้าจะวัดในระดับสูงไหมก็หลวงพ่อไม่ได้ยกยอปอปั้นตัวเองหรอกหลวงพ่อหลวงพ่ออยู่ในระดับสูงนะเพราะเหตุไยเพราะว่าทั้งผู้ใหญ่ในจังหวัดทั้งผู้ใหญ่ทุ ก, ท, ก, ท, กทุกท่านหลวงพ่อได้รู้จักมักคุ้นกับท่านเหล่านั้นแล้วก็เนี่ยแต่หลวงพ่อเองก็พยายามดูตนเองเหมือนกัน เราจะพยายามทาตนคิดดีทดําดีพูดดีที่สุดสิ่งไหนที่มันไม่ดีคิดไม่ดีทําไม่ดีพูดไม่ดีเราจะไม่ทําอย่างนั้นนะอันนีค้คือความตั้งใจของหลวงพ่อที่อยู่ในระดับนี้ผู้อยู่ในระดั บ, ดบสูงถ้าหากว่าคนผู้ใดก็าตามไปอยู่บนขึ้นไปอยู่บนสวรรค์แล้วนะประมาทลืมตัวเนี่ยตกสวรรค์ได้ง่ายๆนะในตาราของพระพุทธศาสนา เทวดาผู้ใดทาบุญสร้างบุญสร้างกุศลนั่นคือขึ้นไปอยู่บนสวรรค์อย่างโคสกาเป็นหมาของเศรษฐีพอไปเห็นพระประเจกพระปเจกพุทธเจ้จาเอ้ยหมาเอ้ยสุนัขเอ้ ย, อยแต่แก่เป็นหมาชาตินี้เอ้าเดี๋ยวเราจะไปสู่ดอยคันธมาศให้เธอกลับไปใช่นะพ่อว่าเท่านั้น พระประเจกก็เหาะเลยเหาะให้หมาเห็นแลว้วงั้นนะเ อ, อแสดงฤทธ์เหาะให้หมาเห็นหมาต้นแรกก็ไปสงพระประเจกเ อ, อด้วยความรักห่วงหาอะไรในพระประเจกนะ่ะหมาต้นแรกก็หอนวใจขาดเลยงั้นค่อยๆว่าคิดถึงพระประเจกที่ท่านเหาะขึ้นไปในทางฟ้านะ่ะเอหมาต้นนั้นก็เลยตายใจขาดเพราะตายแล้วอันนี้สง มีเป็นจิตใจเป็นกุศลเพราะว่าได้ลำลึกถึงพระประเจกพุทธเจ้าหมาตอนนั้นก็ไปสู่สวรรค์ขึ้นไปอยู่เกิดในสวรรค์พอไปเกิดในสวรรค์ท น, นี้เพราะตัวเองไม่ได้ตั้งอกตั้งใจอะไรเพราะเป็นหมาขึ้นไปบนสวรรค์โอ้โหทำไมมีความสุขอย่างนี้ทนน ะ, ะสุขอะไรก็ได้คิดได้อย่างใจหมดทึก อ, อะไรขึ้นมาก็ได้อย่างใจหมด พอในสุดก็เลยนึกนึกลืมทานอาหารเไงเทวดาเขาก็ลึกเขามีทานอาหารเหมือนกันนะในตำราเท น, นว่านึกลืมทานอาหารพอนึกลืมทานอาหารตกลงมาจากชั้นสวรรค์ฮงนี่แหละสวรรค์นี่ตกในง่ายๆเหมือนกันนะบางคนไปอิดชาคนอื่นเขาอยู่สวรรค์โอ้ทาไมเขาจึงดีกว่าเราฆ่ามันอะไรๆออกไปทางกิเลสจะฆ่าเขาเพราอในสุดตกสวรรค์อีกเหมือนกัน บางทีก็คนที่ขึ้นไปแล้วหมดบุญคล้ายๆหมดเงินนะให้ข้าวแบมีเงินขึ้นไปขนาดนี้เราไปเที่ยวไปเที่มาหมดเงินบไอก็ตกลงมาจากสวรรค์อีกเหมือนกันมีหลายแนวมีหกอย่างเนะี่ยหลวงพ่อจําไม่ได้คนที่ตกสวรรค์คนที่ขึ้นไปบนสวรรค์และตกสวรรค์นี่แหละคือคนที่คืออยู่เบื้องสูงจะเป็นข้าราชการระดับไหนก็ตามขึ้ น, เ ป, นเป็นชั้นสูงแล้วเนะี่ย แล้วเป็นพระก็เหมือนกันอย่างหลวงพอ่อที่พูดให้ฟังหลวงพ่ออยู่ในระดับนี้แหละระดับสูงนะพอทสงควรรู้จักพี่น้องประชาชนเห็นคนมาเมาื่อวานเนี่ยเป็นหมื่นะ เ, เกือบจะเป็นหมื่นหลวงพ่อว่านะเอคนมากเป็นหลายพันที่เด่ยวแต่หลวงพ่อคิดว่าะคนที่รู้จักมักคุ้นถึงขนาดนี้คืออยู่ในระดับสูงคนที่ให้ความเคารพนับถือเลื่อมใสแต่ว่าถ้าเราทําไม่ดีเท่านั้นแหละ คิดไม่ดีทําไม่ดีพูดไม่ดีเท่านั้นอะ่ะอพร้อมที่จะคนทั้งหลายที่มองที่มาอย่างเมื่อวานเนี่ยนะเขาก็พร้อมที่จะปัญหาเราได้เหมือนกันเ อ, อ่อทำไมเอถ้าเรานับถือเรื่มใสขนาดนี้ทําไมทําตัวไม่ดีอย่างวุ้นอย่างนี้เขาก็ว่านะเก็ว่าได้และเสียหายไม่เสียหายเหมือนกับเทวดาตกสวรรค์อ่างเ น, นนะีอันนี้ก็เหมือนการขอฝากไว้กับขราชการทุกหมู่ทุกเหล่าไม่ใช่ว่า ท่านผู้กํากับอยู่ใกล้ๆนี่นะทั่วประเทศเพอเพยังทั่วโลกอีกต่างหากให้ทุกคนเป็นคนดีคิดดีทำดีพูดดีเพราะเราอยู่เบื้องสูงแล้วอยู่อยู่ในระดับสูงเป็นหัวหน้าส่วนราชการเป็นหัวหน้าตำรวจเป็นนายตำรวจเป็นหัวหน้าของพี่น้องประชาชนคนทั้งหลายยกให้ว่าเป็นผู้พิทักษ์สันติราช อันนี้จะเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ผู้ใหญ่มีหลายระดับพี่ภาคสาอายการครูโรงเรียนพออทุกระดับรัฐมนตรีนายกกระล้นแล้วจะเป็นผู้สูงสูงในชุมชนในกลุ่มนั้นแต่เพื่อเมื่อผู้สูงเนี่ยต้องระมัดระวังขนาดผู้สูงในครอบครัวก็ต้องระมัดระวังอยากจะให้ลูกดีก็ต้องทำดีให้ลูกดู อยากจะให้อยางลุงพ่อเนะี่ยอยากจะให้ลูกสิทธิ์ดีลุงพ่อก็ต้องทำดีให้ลูกสิทธิ์ดูแล้วก็ถ้าคณะขา้ขาราชการทุกหน่วยทุกหมู่ทุกเหล่าอยากจะให้บริวารตัวเองดีก็ต้องทำดีให้บริวารตัวเองดูนะอันนี้ก็คือเป็นคำพังเพยแลอเป็นคำคนโบราณเขาพูดมาลุงพ่อพิจารณาดูแล้วอือใช่ลุงพ่อเห็นได้ชัด ที่หลวงพ่ออยากจะให้ลูกศิษย์ลูกหาถึงตั้งสี่กว่าองค์นะเป็นลูกศิษย์ที่ศึกษากับหลวงพ่อเนะี่ยหลวงพ่อจะทําเร็วให้เขาดูได้อย่างไรเราต้องทําดีให้เขาดูต่อไปภายภาคหน้าท่านเหล่านี้จะเป็นผู้ใหญ่ต่อไปภายภาคหน้าก็จะได้ยึดเออลูกมาอยู่กับหลวงพ่ออินเนี่ยเท่านั้นปีเท่านี้ปีหลวงพ่อพาทําทําคุณประโยชน์หรือว่าทําคุณงามความดีควรจะยึดให้เป็นตัวอย่าง อันนี้ลูกเขาเหล่านี้ก็จะได้นําเราเป็นตัวอย่างอย่างหลวงพ่อยึดหลวงปู่ล่าหลวงตามหาบัวเป็นครูบาอาจารย์ของหลวงพ่ออย่างนั้นนะที่หลวงพ่ออยู่กับหลวงตาโอ้หลวงตาเนี่ท่านดีจริงจิงท่านตรงไปตรงมาเ อ, อท่านพูดอะไรเป็นอัดเป็นธรรมออทําอะไรก็ตรงไปตรงมาหน่าเคารพหน้า น, นับถือเลื่อมใสเนี่ยมันฝังลึกอยู่ในจิตใจของของหลวงพ่อเหมือนกันเพราะนั้นลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อก็เหมือนกัน ทุกที่มาอยู่กับหลวงพ่อถ้าหว่ามาเห็นหลวงพ่อการกระทำการคิดการพูดการกระทำหลวงพ่อไปในทางศีลธรรมเขาเหล่านี้ก็จะยึดเป็นแนวแถวทางด้านจิตใจของเขานำไปประพฤติปฏิบัติต่อไปโลกทั้งโลกประเทศทั้งประเทศก็จะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขเพราะเป็นคนดีเพราะอาจารย์หลวงพ่อเป็นผู้พานาไปนในทางที่ดี คิดดีทําดีพูดดีเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราคณะสัตยาญาติโยมลูกหลานทุกคนนะที่หลวงพ่อพูดก็คือเอาธรรมะมาพูดเป็นกลางๆไม่ได้พูดให้ผู้ใดใครผู้หนึ่งไม่ได้พูดให้อญาติโยมผู้ใดพูดเป็นกลางให้กับพวกเราได้ฟังได้ศึกษาอันนี้แหละคือหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าขอให้พวกเราทุกๆท่านนะพูดทางนี้ทางนั้นอันนี้คือ ถ้าพูดเรื่องศินนะถ้าสรุปออกมาเลยคือศินคือกฎระเบียบเรื่องทางพูดทางลูงก็คือกฎหมายคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมคือกฎหมายการเป็นอยู่ด้วยการการอยู่ร่วมกันต้องปฏิบัติตนอย่างไรอันนี้ก็คือการเป็นอยู่กายวาจารักษากายวาจาให้เรียบร้อยไม่ให้มีโทษส่วนใจนะท่นนี่ ในหลักของพุทธศาสนายังมีส่วนส่วนกายวาจาเลยแล้วยังมีส่วนใจอีกกว่าเนี่ยใจคือความนึกคิดนีตัวนี้พระพุทธศาสนาหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าให้ความสําคัญมากกว่าเรื่องศีลเรื่องกายวาจาเพราะกอกายวาจานี่ยจะทําดีได้ก็ต้องใจคิดสัก่อนอวาจาที่จะพูดออกไปได้ก็ต้องใจคิดสักก่อนนะ ทีในี้ในความคิดของใจตัวนมามธรรมจุดนั้นนจะเอาอะไรเข้าไปไปแนะนําไปสั่งสอนไปปฏิบัติเพราะฉะนั้นท่านจึงให้เอาศีลธรรมเข้าไปหาจุดนั้นศีนลธรรมจุดนั้นคืออะไรนคือสมาธิท่านนี่อรวบรวมให้มีสติสัมปชัญญะนให้จิตเน่งอตัวผู้รู้ตัวนั้นเน่งอพอเน่งขึ้นมาเหมือนเรายืนยืนเน่ง ก็ยืนนิ่งเราก็มองเห็นอันนั้นผิดอันนี้ถูกอันนั้นควรไม่ควรอันนั้นถูกต้องไม่ถูกต้องอันนั้นเป็นธรรมอันนั้นไม่เป็นธรรมเมื่ อ, อเรายืนนิ่งเราจะเห็นเหมือนกับเราน้ํามันนิ่งพอน้ํามันนิ่งนะเรามองลงไปเราจะเห็นเงาของเราในสองหน้าของเราในกระจกน้ําในน้ํานั้นเพราะอะไรเพราะน้ํามันนิ <mountains> ่งถ้าน้ํามันกระเพื่อมน่ยมันไม่เห็นไม่เห็นเงา <explore> ตัวเองนี้ก็เหมือนกันถ้าเรายืนนิ่ง เราก็จะมองเห็นรอบด้านเห็นหมดตัวเล็กๆตัวน้อยๆเห็นยุงหเห็นอะไรเข้ามาใกล้เราก็รู้ได้เพราะอะไรเพราะเรายืนนิ่งแต่ถ้าเราวิ่งนะจะเนี่ยไม่ถึงก็วิ่งเถอะขนาดเดินไปเราก็จะมองไม่เห็นไม่ชัดแหละนี่แหละท่านจึงบอกว่าทำจิตใจให้นิ่งจิตใจให้สงบจะทำจิตใจให้สงบนั้นทำอย่างไรพระพุทธเจ้า ่ท่านบอกกำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปะชัญญะในลมหายใจเข้าออกนั้นอันนี้ของพระพุทธเจา้าแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นกำหนดลมหายใจเข้าออกอยังไม่พอนะต้องกำหนดพุทโธด้วยหายใจเข้าพุทหายใจออกโทพุทโธพุทโธ เมื่อใจใจของเราอยู่กับพุโทโธไม่ไม่คิดถึงอดีตไม่คิดถึงอนาคตอดีตคือวานเมื่อก่อนนะอันนี้คืออดีตเอตั้งแต่คําพูดหลวงพอ่อคํานี้แหละที่คําพูดตั้งแต่เริ่มต้นนะเป็นอดีตทั้งหมดแต่คําไหนที่ยังไม่ได้พูดนันนั้นคืออนาคตนะ่ะอันนี้แหละอดีตอ น, นาคตนะ่ะแต่ว่าให้ใจอยู่ในปัจจุบันเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไปเรื่อยๆนะเมื่อกลอนานาฬิกาเดินเป็นวินาทีวินาทีวินาทีที่หนึ่งที่สองที่สาม งั้นแหะอันนั้นเป็นวินาทีนั่นคือปัจจุบันที่มันผ่านไปแล้วน่นคือเป็นอดีต ท, ที่ยังไม่ถึงนะแปลว่ายัางอนาเป็นอนอาคตอันนี้เราคืออ น, นาให้ใจอยู่ในปัจจุบันเดีย่ยวนี้ขณะนี้ในเมื่อจิตใจของเราเป็นปัจจุบันจิตใจของเรารวมสงบนิ่งนิ่งมันนิ่งเหมือนานาฬิกาตายอย่างนั้นแต่เวลามันก็เดินอยู่แต่ว่าใจของเรามันนิ่งตัวของเรามันนิ่ง แต่เวลาการเวลามันก็ไปตามตามการเวลาแต่ว่าใจของเรามันเนิ่งพอใจของเราเนียงเท่านั้นแหละเราจะรู้ได้ว่าอันไหนผิดอันไหนถูกอันไหนควรไม่ควรอันไหนถูกต้องไม่ถูกต้องอันไหนสูงอันไหนต่ําอันไหนเจ้านายอันไหนลูกน้องอันไหนบริวารเราจะปฏิบัติตนอย่างไรอันนี้แหละอันนี้คือพระพุทธศาสนาเนี่ยท่านสอนสอนจุดนี้นะสอนจุดเน้นเรื่องของใจ ใจคือนามมัทธิมจุดนี้แหละมโนปุพังขมาธรร ม, มามนโนเศรษฐามนโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจ เ, เพราะนั้นขอให้พวกเราคณะสัทาา ธ, า, ธ า, ญญาติโจมลูกหลานทุกคนนะที่หลวงพ่อพูดให้ฟังเบื้องต้นการเป็นอยู่กับเรื่องเรื่องศีลสมาศีลก็ ค, คือรักษากายวาจาแต่มาพูดคง้งจุดท้ายเนี่ย มาพูดเรื่องของใจอันนี้เรื่องสมาธิแนวความคิดของจิตใจแล้วก็วิปัสนาอย่างไปอีกนะอันนั้นคือสมถตคือสมาธิเนี่ยอย่างวิปัสนาอีกวิปัสนาคือแยกแยหาเหตุผลอีกใช้ปัญญากันกรองไตรตรองด้วยเหตุและผลอีกอันนั้นเราต้องศึกษาในรายละเอียดอีกนะอันนี้ก็คือหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนา พระนั่งขอให้ฝากไว้กับคณะจิตใจญาติโยมลูกหลานทุกคนนะแล้วก็พร้อมกันพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรหลา น, นที่นี้นะให้พวกเจ้าหน้าทีท่นผู้กํากับและกับผู้ที่มาทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับกรมตํารวจของพวกเราตั้งแต่พญาดํารงเป็นผู้แต่งตั้งเป็นผู้ตั้งกรมกรมตํารวจขึ้นมาตํารวจ ตายไปไม่รู้เท่าไหรจะพูดง่ายๆนะมรณ ะ, ะไปไม่รู้เท่าไหร่เพราะเหตุอะไรเพราะอายุมากและก็สู้กับโจรผู้ร้ายบ้างประสบอุบัติเหตุบ้างเจ็บไข้ในป่วยบ้างคือรุ่นพี่ๆของพวกเราเพราะนั้นพวกเรารุ่นน้องๆวันนี้เป็นวันสําคัญเอแล้วก็ทําบุญอุทิศส่วนกุศลพวกที่ไปก่อนพวกเราที่จากไปก่อนพวกเรา เ, เมื่อท่านตกทุกข์ได้ยากอยู่โอ้วันนี้เป็นวันตํารวจพวกน้องๆทําบุญให้ข้าอุทิศส่วนกุศลให้ข้าบ้างหรือเปล่านะอ้อเขาก็จะหวนกลับมาอพวกเรามาถึงเออเอาพี่ๆนาะปู่ๆเนาะปู่ย่าตายปู่ย่าตายายนะเนาะพวกเราอุทิศส่วนกุศลใหเ้เหมือนกับเราเ อ, อหาทําบุญเสร็จแล้วเราก็อุทิศส่วนกุศลให้เขาเหมือนกับเรามีเงิน ยัดใส่มือให้ท่านเหล่านั้นะเมื่อท่านเหล่านั้นได้เงินแล้วก็เออไปหาซื้อสิ่งของไปหาเกิดที่ไหนก็ได้เพราะว่าพวกเราเออได้อุทิศส่วนกุศลให้ดวงวิญญาณท่านเหล่านั้นะในลักษณะอย่างนั้นะแต่ถ้าว่าท่านเหล่านั้นตกนรกนะส่งไปให้ไม่ถึงนะเหมือนกับอยู่ในกรอบเพื่อติดคุกอุกสกันอย่างนั้นแหลเ อ, อเราส่งของเข้าไปก็นั่นแหละเขาไม่ส่งเข้าไปในคุกนะเขาไม่ส่งเข้าไปนรก ถ้าว่าไปสวรรค์ก็ไปอยู่ชั้นสูงแล้วส่งของขึ้นไปพวกเหล่านั้นก็ไม่รับถ้าไปเกิดเป็นสัตว์ที่ช้าก็ไม่ได้รับนะเออแต่ว่าถ้าว่าท่านมีวิญญาณร่องรอยอยู่ไปไหนยังไม่ได้อันนั้นละ่ะจะมารับส่วนบุญส่วนกุศลจากพวกเราท่านทั้งหลายอันนี้คือตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาตามหลักธรรมคาสอนของพระพุทธทเจ้าเพราะนั้นท่านจึงให้ ทำบุญอุทิศส่วนกุศลต่อผู้มีพระคุณสําหรับเราเพราะเรามองไม่เห็นว่าท่านเหล่านั้นจะไปตกอยู่ทุกข์ใดยากหรือไปสวรรค์ชัน้นใดหรือว่าไปเกิดในภพภูมิใดพวกเราไม่เห็นพวกเราก็ทําบุญกุศลไว้ก่อนในเมื่อเราทําบุญแล้วบุญกุศลเหล่านั้นไม่ไปถึงเขา่ะบุญกุศลแล้วจะไปตกถึงไหน เ อ, อตกมาหาเราเหมือนกับเราส่งของไปชนีถ้านายไปชนีเป็นผู้ซื่อสัตว์ซื่อตรงพอส่งไปถึงปลายมือแล้วปลายมือไม่มีที่รับนะเขาก็ส่งกลับคืนมาเออของที่ท่านส่งไปเนี่ยไม่ได้รับไม่มีไม่มีผู้รับปลายทางนะส่งมาหาท่านนะบุญกุศลที่เราทําไปแล้วไม่ไปไหนกลับมาหาพวกเราอีกนะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านเออ บทิดส่วนกุศลกรวดน้ำบทิศส่วนกุศลต่อผู้มีอุปการคุณวันนี้เป็นวันสำคัญอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวนะตอนนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พร